ว่ากันว่าจังหวัดทางภาคอีสานซึ่งเป็นรอยต่อพรมแดนของประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกตบุรีรัม์นั้นนะคะมักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์แล้วก็คุณสายต่างๆอันล้ำลึกเกิดขึ้นให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอดังนั้นค่ะสิ่งที่บีจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากเรื่องราวแห่งอาถรรพ์ที่เกี่ยวกับมนต์ดำหรือว่าส่ยดำซึ่งชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นนะคะก็นิยมร่ำเรียนแล้วก็ลองของกันอยู่เรื่อยๆเป็นศาสตร์อันเร้นลับที่มีอยู่มากมายของชาวเขเมรโบราณที่แพร่เข้ามาโดยไม่อาจรู้ได้เลยค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2540นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับการใช้เคมีพันธ์ทางการเกษตรโดยการเดินทางในครั้งนั้นของทีมงานผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งให้เข้าพักอาศัยภายในบ้านพักของครูที่โรงเรียนที่ว่างอยู่หลังหนึ่งนะคะในระหว่างที่ทำการสำรวจภายในพื้นที่อาเภอประโคนชัย โดยทีมงานที่นี่นคะต้องพักอยู่ประมาณ3าคืนค่ะโดยในแต่ละวันเนี่ยหลังจากทํางานเสร็จพวกเขาก็จะไปกินอาหารเย็นกันที่ร้านในตัวอาเภอก่อนที่จะกลับมานอนที่บ้านพักครูเนื่องจากว่าไม่ต้องการสร้างความยุ่งยากในการจัดเตรียมอาหารภายในบ้านพักนั้นซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับครอบครัวของอาจารย์ใหญ่ผู้มีน้าใจเอื้อเฟื้อต่อทีมงานค่ะในคืนที่2 ทีมงานก็เข้าไปหาอาหารกินในตัวเมืองนะคะหลังจากที่เสร็จงานเรียบร้อยโดยได้ดื่มน้ำกันเล็กน้อยแต่พอหอมปากหอมคอแต่ว่าขนาดเล็กน้อยของพวกเขาเนี่ยก็ปากันเข้าไปเกือบสี่ทุ่มนะคะกว่าจะได้ออกจากร้านแล้วก็เดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างไปราว12กิโลเมตรพอกลับมาถึงบ้านพักนะคะ ผู้ที่เล่าเรื่องนี้คือคุณมานพนะคะคุณมานพกับเพื่อนอีกประมาณสองสามคนก็มานั่งดื่มต่อกันที่บ้านที่บริเวณใต้ถุนบ้านพักเพราะว่าเหล้านี่ยังคงเหลืออยู่ประมาณครึ่งขวดค่ะคุณมานพ บ, บอกว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดที่อากาศก็ค่อนข้างเย็นขณะที่คุณมานพกับเพื่อนกำลังนั่งดื่มแล้วก็คุยกันอยู่เพลิดเพลิน ก็ได้เห็นลูกไฟหรือว่าดวงไฟดวงหนึ่งขาดล่องลอยไปมาอยู่ตรงใกล้ๆ ก, กันกับรั้วด้านหลังโรงเรียนคือลอยห่างจากพื้นดินประมาณ1เมตรแล้วก็ลอยและเลื่อยไปมาอย่างช้าๆคล้ายกับไม่มีจุดหมายปลายทาง ขนาดของดวงไฟประมาณเท่าลูกตะกร้อเห็นจะได้เปลวไฟเป็นสีเขียวเข้มอมน้ำเงินลักษณะคล้ายกันกับเปลวไฟจากการเผาพลาสติก ค, ค่ะแต่ว่าก็แปลกอยู่นะคะตรงที่ลูกไฟหรือว่าดวงไฟดวงนี้มันไม่ไหม้หรือว่าทำลายวัตถุที่มันลอยไปกระทบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าไม้ที่นามาสร้างรัว้วหรือแม้แต่กระทั่งใบไม้นะคะ คุณมานพอธิบายได้เช่นนี้ก็เพราะว่าคุณมานพกับเพื่อนทุกคนต่างก็เห็นดวงไฟประหลัดนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าทีมงานก็ต่างพากันลุกขึ้นเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆในขณะที่มันล่องลอยอยู่ภายในรั้วโรงเรียนค่ะแต่ว่าพอทีมงานของคุณมานพเข้าไปใกล้นะคะมันก็ลอยหนีไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้เล็กๆที่อยู่ห่างออกไปพอพวกทีมงานเนี่ยตามไปอีกมันก็ลอยหนีไปอีก เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสามสี่ครั้งแล้วก็ลอยวูบหายไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ถัดจากรั้วด้านหลังโรงเรียนนะคะคุณมานพบอกว่าตอนนั้นผมกับเพื่อนไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยนะแต่ว่าต่อมาเมื่อถึงตอนเช้าก็ได้ยินเสียงเอะอะเอตโรดังมาจากด้านหลังของโรงเรียนค่ะคุณมานพก็เลยลุกขึ้นมาดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยได้รู้คาตอบจากท่านอาจารย์ใหญ่บอกว่า ผู้หญิงวัยกลางคนที่อยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งด้านหลังโรงเรียนได้เสียชีวิตลงหลังจากมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ปวดท้องอย่างรุนแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณมานพกับเพื่อนก็ได้แต่มองหน้ากันแบบเลิกลากด้วยความประหลาดใจเมื่อทราบนะคะว่าผู้หญิงที่ตายเป็นคนที่อยู่ภายในบ้านหลังที่ดวงไฟปริศนาที่ได้เห็นเมื่อคืนเนี่ยนะคะที่ลอยหายเข้าไปและถึงแม้ว่าคุณมานพเองไม่มั่นใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า แต่ว่าก็ได้เล่าสิ่งที่ตัวเองเห็นให้กับอาจารย์ใหญ่ฟังและในทันทีที่อาจารย์ใหญ่นะคะได้ทราบเรื่องราวเหล่านี้ท่านเองก็รีบไปเล่าให้กับสามีผู้เสียชีวิตได้ฟังทันทีค่ะ ท่านอาจารย์ใหญ่นียคะยังได้เล่าเสริมให้ฟังอีกว่าเรื่องราวทํานองนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในหมู่บ้านละแวกนั้นซึ่งชาวบ้านเองก็เชื่อกันนะคะว่าเป็นการถูกของหรือว่าถูกคุณใส่ที่พวกมีวิชาอาคมจากขเขมรปล่อยออกมาโดยไม่มีจุดหมายใครที่มีเคราะห์ก็มักจะถูกของหรือว่าถูกคุณใส่เข้าตัวซึ่งก็จะส่งผลให้เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุคะ่ะหรือว่าบางรายนีคะก็อาจจะเคราะร้ายโดนของที่มีอาคมแรงมากๆ ก็ถึงกับเสียชีวิตไปเลยก็มีโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันนะคะอย่างเช่นหญิงชาวบ้านคนนี้เป็นต้นค่ะ เวทมนตร์ไสยศาสตร์อันเร้นลับของชาวเขมรโบราณปัจจุบันก็ยังคงมีให้เห็นแล้วก็ให้ได้ยินกันอยู่เสมอในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนเขมรดังนั้นนะคะหากว่าคุณผู้ฟังมีความจําเป็นค่ะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเหล่านั้นก็ควรที่จะต้องระมัดระวังตัวกันให้มากๆแล้วก็อย่าพยายามสร้างศัตรูมิฉะนั้นอาจถูกเล่นงานจากาศาสตร์อันเร้นลับต่างๆโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ค่ะ นายทวีสมท่านะคะบ้านเล็กที่14ทับ14ค่ะหมู่5ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานเป็นคนเก่าแก่ของวัดอ้อมใหญ่นะคะได้เล่าเรื่องจริง จ, งจากวิญญาณเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อหลายปีที่ผ่านมาค่ะนายทวีเป็นผู้ที่มีอาชีพทางขายกาแฟอยู่แถบแม่น้าท่าจีนมา40ปีแล้วแล้วก็สามารถส่งลูกสาวลูกชายให้เรียนจนจบปริญญาเป็นฝั่งเป็นฝาไปหมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันนะคะนายทวีสมธาก็ยังคงขายอยู่ แต่ว่าตอนที่ไปทำบุญที่วัดอ้อมใหญ่นะคะนายทวีก็หยุดพักผ่อนประมาณ3วันนะคะเพื่ออยากให้ตัวเองเนี่ยหายเหนื่อยเพราะว่าปัจจุบันนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนสมัยก่อนนะคะที่แบบทำงานมากแค่ไหนก็ยังไม่ค่อยเหน็ดไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าลูกๆยังรอใช้เงินอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลูกๆ ก, ก็ขอร้องพ่อบอกว่าให้พักผ่อนบ้างไม่อยากให้พ่อเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนนะคะ แต่ว่านายทวีบอกว่าไม่อยากหยุดเพราะว่าเป็นความเคยชินละค่ะเป็นอาชีพที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษถ้าหยุดขายสักคนหนึ่งลูกค้าที่เคยกินก็ไม่รู้จะไปหากินได้ที่ไหนอาชีพเรือขายกาแฟนะคะไม่มีใครเขาอยากจะทํากันแล้วนายทวีได้เล่าเรื่องวัดอ้อมใหญ่ให้ฟังค่ะว่าวัดอ้อมใหญ่แห่งนี้เนี่ยเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนไม่มีใครบอกได้แต่ก่อนแถววัดอ้อมใหญ่ ก็จะมีนาบริเวณวัดได้ให้ชาวบ้านเช่าทำนาแล้วก็รายได้นั้นก็เอามาบำรุงวัดจนสามารถสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้สองหลังด้วยกันแล้วก็ยังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่จนปัจจุบันนี้แต่ว่าปรากหักพังจนใช้การไม่ได้แล้วสมภารผู้ครองวัดก็ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้จนมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในปัจจุบันก็เริ่มด้วยการสร้างโบสถ์ใหม่ตั้งแต่ปีพศ2493 มาสำเร็จเอาก็พศ2503ซึ่งเป็นยุคใหม่ของวัดอ้อมใหญ่นะคะดังนั้นเมื่อเข้าไปในวัดอ้อมใหญ่ก็จะเห็นว่าแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือวัดอ้อมใหญ่เก่าสมัยโบราณที่มีบทวิหารมีเจดีย์อันเก่าแก่อยู่หน้าวัดริมแม่น้าท่าจีนซึ่งสมัยนี้เป็นหลังวัดแล้วเพราะว่ามีการตัดถนนเข้าสู่วัดแยกจากถนนเพชรเกษมอันสะดวกกว่าการคมนาคมทางเรือ ซึ่งสมัยก่อนโน้นก็มีเรือแดงสุพรรณวิ่งรับส่งอยู่ในเส้นทางวัดอ้อมใหญ่ใหม่หน้าวัดมีต้นไม้ใหญ่อยู่สามต้นก็คือต้นมะขิดต้นโพแล้วก็ต้นตะเคียนแต่ว่าต้นมะขิดแล้วก็ต้นตะเคียนเนี่ยโค่นลงน้ำไปแล้วเหลือแต่ต้นโพค่ะที่ยังคงยืนหยัดอยู่ท้าทายกระแสน้ำที่เซาะตลิงอย่างไม่เกรงกลัว ทางวัดก็ได้สร้างเขื่อนถาวรแล้วก็ด้านบนทําเป็นทางเดินกับท่าน้ำด้านล่างหากน้ำลงแล้วจะลงไปใต้ทางเดินได้นะคะก็จะมองเห็นสันรพระภูมิเก่าแก่แล้วก็ร่องรอยของต้นตะเคียนค่ะ ใครก็ตามนะคะลงไปแล้วก็จะพบว่าบรรยากาศวังเวงเหมือนกับมีอำนาจอันเร้นลับคล้ายกับว่ามีใครคอยจ้องมองแม้แต่นายนพดลสุขสมบัตินะคะอยู่บ้านเลขที่14ทับ25ค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมู ล, ลนิธิร่วมกตันยูสมุทรสาครซึ่งก็ผ่านการเก็บศพแล้วก็คลุกคลีนะคะกับสิ่งเร้นลับไม่ว่าจะเป็นพูดผีวิญญาณยังต้องเอ่ยปากบอกว่าน่ากลัวขนาดผมลงไปสองสามหน ทุกครั้งที่ลงไปจะรู้สึกได้ถึงความเร้นลับน่ากลัวกับพลังอันเยือกเย็นขึ้นมาแล้วก็ยังขนลุกเหมือนจะเป็นไข้เหมือนกับว่าลงไปในโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่โลกที่มนุษย์กําลังดํารงอยู่นายทวีนะคะก็เล่าว่าอันที่จริงนะความเฮี้ยนของต้นโพธิ์ที่วัดอ้อมใหญ่ก็จะรู้กันแต่ในหมู่คนที่เป็นคนแถวนี้แต่ว่าเมื่อกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องแก้วขนเหล็กนะคะยกกองมาถ่ายทําที่นี่อยู่หลายวันก็ได้พบกับเรื่องราวแปลกประหลาดค่ะ ก็คือการถ่ายทําวันสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทําดารานักแสดงก็มากันครบนะคะแต่ว่าท้องฟ้าก็ทําท่าว่าฝนจะตกลมแรงกระโชกจนทุกคนหน้าเสียไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรแล้วก็มีชาวบ้านที่มาดูการถ่ายทำนะคะแนะนําว่าให้ไปปักธูปบนต้นโพใหญ่หน้าวัดทางด้านแว่นน้ำนะอาจจะช่วยได้ผู้มนวยการสร้างจึงไปจุดธูปบอกนะคะสักพักหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดค่ะฝนตกนอกวัด ฟ้าขนองเปรี้ยงปร่างแต่ในวัดกลับไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวทางกองถ่ายก็เลยถ่ายทำได้จนจบทุกฉากนะคะนอกวัดฝนตกจนน้ำนองแต่ว่าในวัดนี่แห้งสนิทค่ะรุ่งเช้าผู้หน่วยการสร้างจึงได้หาของที่บนไว้มาไหว้ต้นโพเรื่องนี้ก็เลยรู้ไปถึงบริษัทศิวารมเจ้าของรายการแกะรอยอาถรรพ์นะคะก็เลยยกกองมาถ่ายทาออกอากาศซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี แต่นั้นมานะคะก็มีผู้คนค่ะเดินทางมาบนบานสารกล่าวกันทุกวันโดยเฉพาะก่อนวันหวยออกชาวบ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าบอกตรงกันบอกว่าใต้ต้นโพมีนางไม้อาศัยอยู่เป็นสตรีโบราณหน้าตาดีผิวพรรณดีนุ่งชุดไทยโบราณแล้วก็มีแผลสบยงดงามมีเครื่องประดับอันล้ำค่า มีผู้คนพบเห็นเดินเข้าออกที่ต้นโพหลายครั้งนะคะทั้งที่เป็นตอนกลางวันก็เคยเจอค่ะตอนกลางคืนก็เคยเจอนี่เลยไม่ต้องรอให้ค่าหรือว่าดึกดื่นอย่างไรก็เลยมีชุดไทยที่มีผู้บนขอให้ถูกหวยได้จำนวนมากๆซื้อมาแขวนไว้ที่ใต้ต้นโพก็เลยเป็นที่พบเห็นของคนทั่วไปนะคะเชื่อกันว่าต้นโพนี้เป็นต้นโพคู่วัดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด แต่ว่าแทนที่จะมีรูขะเทวดาทั่วไปกลับมีนางไม้มาสิงสู่อยู่และก็แสดงเทพริศให้เห็นอยู่เสมอห่างจากต้นโพมไม่มากนักก็มีท่าน้ําที่มีบันไดทอดตัวลงไปในแม่น้ําท่าจีนก็เรียกกันว่าท่ากลางค่ะซึ่งนี่ก็เป็นที่เล่าลือกันเหมือนกันว่าเป็นท่าน้ําผีสิงที่มีผู้มาเสียชีวิตด้วยการจมน้ําตายที่นั่นนายทวีได้เล่าให้ฟังอีกนะคะบอกว่าศพแรกเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ29ปี ยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็แข็งแรงว่ายน้ำเก่งด้วยวันนั้นวันที่เขาจะตายเขาลงไปล้างมือโดยก้มตัวลงไปวักน้ำขึ้นมาล้างมือเมื่อมือสะอาดแล้วก็เกิดวักมาลูบหน้าค่ะแล้วก็หล่นตูมลงไปเฉยๆผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่านึกว่าลงไปไว่ายน้ำเล่นเพราะเห็นว่าลักษณะอาการเนี่ยคล้ายกับเล่นน้าแล้วก็จมหายไปญาติพี่น้องก็เลยให้นักประดาน้าลงไปงมแต่ก็ไม่พบ ก็เลยไปจุดทูบบอกต้นโพพอทูบหมดไปครึ่งดอกนะคะศพก็โผล่ขึ้นมาตรงท่าน้ำนั่นเองทุกคนไม่ได้สงสัยเพราะคิดว่าคงจะหน้ามืดหรือว่าเป็นลมนะคะตกน้ำทำให้เป็นตะคริวกินจมน้ำตายชาปนกิจแล้วเรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่งชักจะมีคนลืมแล้วค่ะ ก็มีเด็กผู้ชายแถวบ้านนั่นเองลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วก็หายไปตรงท่าน้ำท่ากลางนะคะก็มีการค้นหาศพกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่พบก็เลยต้องไปหาเจ้าที่วัดหนองนกไข่เป็นเจ้าจีนนะคะเจ้าจีนบอกว่าศพจะผ่านพระประธานหลายวัดก่อนแล้วก็จะขึ้นสู่ผิวน้ำญาติก็เลยติดตามค้นหาไปจากวัดอ้อมยญ่ไปวัดท่ากระบือก็ไม่พบนะคะแล้วก็เจ้าอีกองหนึ่งที่วัดท่ากระบือได้ประทับทรงแล้วก็บอกว่า หาผิดทางแล้วศพไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ที่ที่เขาจมนั่นแหละตอนนี้ยังไม่ขึ้นเพราะว่าผีพรายเนี่ยมันช่วยกันดูดเลือดดูดน้ำเหลืองกินให้ไปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้นำศพมาทำพิธีบำเพ็ญกุศล ทางญาตินะคะก็เลยพากันมาจุดทูบบอกกับนางไม้ที่ต้นโพบอกว่าขอให้ได้ศพคืนถ้าได้คืนมาก็จะถวายของบนพอทูปยังไม่ถึงครึ่งดอกค่ะเสียงผู้คนก็เอะอะที่ท่าน้ำบอกว่าขึ้นแล้วโว่ยอยู่ตรงนี้เองอยู่ได้ไงวะตั้งสี่วันมาช่วยกันเอาขึ้นแล้วนายทวีบอกนะคะว่าผมก็มาดูศพเหมือนกันครับมันซีดผิดปกติจากศพทั่วไปไม่เน่าครับเพียงแต่ขึ้นอืดไปบ้าง มันซีดจนชวนให้นึกถึงเรื่องที่เจ้าที่บอกว่าผีพรายเนี่ยมันกําลังดูดเลือดอยู่ยังไม่ขึ้นจากน้ําผมเองก็รู้สึกกลัวเหมือนกันครับเรื่องเรือของผมเองนี่แหละถอดมาซ่อมแล้วหลุดจมน้ําลงไปคุณเอ้ยพรายน้ํามันก็ผุดขึ้นมาให้เห็นดําลงไปงมก็ไม่เจอเอาตะขอลากก็ไม่พบเห็นพรายน้ํามันผุดขึ้นให้เห็นแต่ว่ามันไปไหนต้องไปจุดทูบบอกท่านแต่ว่าพอทูบไม่ทันหมดดอก เอาตะขอลากทีเดียวเกี่ยวติดงมขึ้นมาได้เลยไม่ใช่แต่เครื่องของผมคนเดียวนะครับเครื่องของคนอื่นถ้าตกแถวหน้าวัดแล้วก็งมไปเถอะพรายน้ำมันมีให้เห็นแต่งมไม่ได้ต้องบนกันถึงได้เครื่องคืนคุณผู้ฟังค่ะหลังจากศพที่สองผ่านไปค่ะเจ้าจีนที่ดูว่าศพที่เด็กตกน้ำ ได้ประทับทรงแล้วก็บอกกับญาติของเด็กที่ตายไปที่ขอบคุณนะคะว่าเจ้าที่นั่นอีให้สร้างศาลให้อีจะได้อยู่อย่างสะดวกสบายแล้วก็จะได้ช่วยคุ้มครองคนให้อยู่ดีมีสุขข่าวเรื่องการสร้างศาลค่ะก็แพร่กระจายกันออกไปคนจีนที่ตลาดอ้อมใหญ่ก็เลยอาสาสร้างศาลเจ้าให้โดยจะเรียรายเงินกันสร้าง แต่ว่าเรื่องดำเนินไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะเอาวาดรูปปัจจุบันไม่อนุญาตให้สร้างกลับหาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเลยไม่มีการสร้างศาลจนถึงทุกวันนี้ นายนพดลสุขสมบัตินะคะได้เล่าเรื่องศพที่สามที่ท่าน้ำกลางที่ประสบความอาถรรพ์ด้วยตัวเองให้ฟังเขาว่าเขาจำวันที่ไม่ได้แล้วแต่ว่าเมื่อสักปีกว่ามานี้เองมีสาวโรงงานก็คนแถวนี้แหละอายุประมาณ19ปีว่ายน้ำเก่งมากกลับจากออกเวนตอนเย็นก็มานั่งกินลูกชิ้นปิ้งที่ศาลาท่าน้ำในเขตเขื่อนหน้าวัดห่างจากท่ากลางไปไกลพอสมควรพอกินเสร็จมือเปื้อนก็เลยจะล้างมือ แต่แทนที่จะลงท่าน้ำตรงนั้นกลับไปล้างมือหรือล้างกับก๊อกที่อยู่แถวนั้นก็ไม่ล้างลงทุนบอกกับเพื่อนว่ารอเดี๋ยวนะจะไปล้างมือเดินไกลเลยแล้ะค่ะไกลามาจนถึงท่าน้ำกลางล้างมือแล้วก็หัวทิ่มลงไปเพื่อนๆวิ่งมาดูก็ไม่พบก็เลยร้องให้คนช่วยกันงมศพแต่ก็ไม่พบนายนพดลก็เลยนำกำลังมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ประดาน้ำเนี่ยลงงมแต่ก็ไม่พบเหมือนกันซึ่งตอนนั้นน้าเชี่ยวมาก นายนพดลยังเล่าอย่างตื่นเต้นนะคะว่าหลังจากงมแล้วก็ไม่พบก็เลยให้เอาสปอร์ตไลท์2ดวงมาฉายสองดูเรียกว่าสว่างทั้งแม่น้ํา2ฝั่งเลยเรือก็ออกลากเบ็ด ร, ราวตามกรรมวิธีแต่ก็ไม่พบญาติของผู้ที่จมน้ําก็มาดูการทํางานพอค่อนแจ้งก็กลับไปตัวของคุณนพดลเองนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะก็คอยดูว่าจะมีศพขึ้นมาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เขาก็เอาเรือออกค้นหาศพ พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มาที่ท่าน้ำแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยลูกสาวไปเข้าฝันในชุดทำงานในฝันบอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันยังขึ้นจากน้ำไม่ได้คนที่เขาดูแลอยู่เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาให้เล่นน้ำให้สนุกก่อนถึงเวลาแล้วจะขึ้นเอง3วันสามคืนค่ะที่คุณนพดลบอกว่ารอดูว่าศพจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ก็ไม่พบไฟสปอตไลท์ดวงใหญ่ใช้จนเห็นหมด ติดไว้ถาวอนเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับไฟสปอร์ตไลท์กะว่าหากศพโผรเนี่ยก็จะได้รีบไปเก็บศพเฝ้าด้วยตัวเองเลยพอรุ่งวันที่4ค่ะแม่เขาก็มาคราวนี้มาบนที่ต้นโพตัวคุณนพดลเองบอกว่าขนลุกมากลืมไปได้ยังไงไม่ได้บอกเขาตั้งแต่แรกพอเขาปักทูบเสร็จปุ๊บผมก็เตรียมเครื่องมือเลยเพราะแน่ใจว่าคราวนี้ได้เรื่องแน่ผมก็เลยลงไปคอยที่ท่าน้า พอทูบลามไปได้ครึ่งดอกพรายน้ําก็ผุดขึ้นมาในแม่น้ําห่างจากท่าน้ําสักสองสเมตรแล้วศพก็โผล่พรวดพ้นน้ําขึ้นมาผมก็เลยเอาเชือกโยนลงไปคล้องแล้วก็ลงไปเอาศพขึ้นเสียงร้องไห้ระงมมันแปลกอยู่ก็ตรงที่ว่าศพอยู่ตรงนั้นทําไมประดาน้ําหาไม่พบลากเบ็ดราวก็ไม่เจอจะว่าถูกกระแสน้ําพัดไปไกลก็ติดตามไม่พบสี่วันศพต้องลอยแล้วแต่กลับจมอยู่ใต้น้ํา พอจุดธูปบอกก็โผพรวดขึ้นมาให้เห็นเลยลองคิดดูก็ละกันว่าศพนี้ผมรู้ผมเห็นด้วยตัวเองเลยครับมันเหี้ยนสุดๆเลยนายนพดลกล่าวนะคะทีนี้นายทวีค่ะก็ยังได้เล่าเสริมต่อไปบอกว่าในงานลอยกระทงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ไฟสว่างสว่างนะคะคนก็กาลังลอยกระทงนายทวีก็ลอยด้วยปรากฏว่ามีมือประหลาดค่ะผิดกับมือคนคือยาวกว่าเล็บแหลมงงสีคล้ำ มือก็ซีดขาวเหมือนกระดาษโผล่ขึ้นมาโบกไปมาชาวบ้านที่นั่นเห็นกันหลายคนพอรู้ว่าไม่ใช่มือคนก็วิ่งกันขึ้นมาข้างบนค่ะบางคนถึงกับร้องไห้เพราะว่าขวัญเสียก็ที่ท่าน้ำกลางนั่นแหละนะคะการบนบานสารกล่าวส่วนมากจะบนด้วยเหล้าไก่ผลไม้หรือบนแบบจีนที่เรียกว่าชาแสก็ได้มีผลทุกรายค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอลาบขอหวยหรือว่าบนบานเรื่องอื่น นายทวีกล่าวสรุปนะคะเรื่องการบนบานสารกล่าวแล้วก็ยังได้เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเจ้าจีนท่านว่านะครับไม่ใช่พวกผมมาพูดกันเองเจ้าท่านบอกว่าจะต้องมีคนจมน้ำตายอีกเพราะว่าบริวารของเขาที่นี่ยังไม่ครบแต่เอาไปปีละคนหรืออย่างไรนี่แหละเรื่องสร้างสารเจ้าก็เหมือนกันถ้าสร้างไว้แล้วก็เรื่องอาจจะสงบก็ได้นะครับผมว่าน่าเชื่อถือเหมือนกันคุณทวีกล่าวนะคะ ที่เจดีย์ใหญ่หน้าโบสถ์แล้วก็วิหารเก่ามีภาพปูนปั้นประจําอยู่สี่ทิศเป็นฝีมือปูนปั้นโบราณเป็นเทวดานางฟ้าฤาษีแล้วก็ท่านเทวเวสุวรรณค่ะหากท่านได้ไปเยือนที่วัดอ้อมใหญ่เวลาลงไปเดินบริเวณที่วัดเก่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะลองสังเกตนะคะว่ามีความเยือกเย็นหรือว่ามีพลังประหลาดมาทำให้ขนลุกหรือไม่ สิ่งเร้นลับเหล่านี้ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับท่านหรือต้องการให้ท่านเคารพ บ, บูชาหากว่าท่านยังไม่มีความเชื่อถือแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะแสดงอาการลบหลู่ดูถูกได้ก็หาไม่ค่ะเพราะโบราณบอกไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาลบหลู่เด็ดขาดคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ยังคงใช้ได้อยู่เสมอนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์หากว่าใครอยากจะพูดคุยกับเรานะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ตามไปกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยที่ www.facebook.com/ พระเจอผี er นะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ